ข่าวหน้าโดยดังตรินตอนที่ตอนที่ 27 โอ้มจะเป่าคาถามหารวยดลหัวใจ แทกลายเป็นการ 20,000 บาทแล้วโดนเฉยเฉยไม่ได้ของแถมหลัง 100 แห่งบนอินเทอร์เน็ตราวว่า <Internet S 2> อ่านเมืองไทยภาวนาอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตครับเหมือนกับตึกแถวคือตึกคือ ก็ย่อมมีกันและถ้าๆกรณีนี้ถามว่าน้ํามันพราย กลุ่มคนเหล่าเนี้ยจะพิจารณาตัวเองว่าเป็นพวกที่ คนถูกๆส่งเงินถึง 20,000 บาทไปให้ใครก็ 18 มงกุฎหลอก ว่าจะอกไม่ไส้ๆและรับ 3 วันหรือ 7 วันซึ่งแน่ น้ำมันไพรสูตรของตนเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำเพราะใช้ได้กับ จะอ้างว่านําไปใช้ด้วยเจตนา ต้องเบี่ยงเบนมาในทางที่ไม่ได้เลือกเองเบี่ยงเบนมาในทางที่ไม่ได้เลือก กรณีข่าวน่ากลุ้มชิ้นนี้จะว่าไปโดน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 ไผ่แสนเศร้าหัวลมเถื่อหา หน้ากลุ่มโดยดังตริ่นตอนที่ 28 ฮะเครื่องป้องกันตัวของสาว ก็คืออาวุธสําหรับทรชนนั่นเองและนับวันยิ่ง อาวุธสําหรับการก่ออาชญากรรมทางเพศนั้นไม่ใช่เพิ่งมาๆอย่าง อาวุธสําหรับก่ออาชญากรรมทางเพศในปัจจุบันๆกับค่าจ้างทําเสน่ห์ยาแฝด รังแกเสร็จจะทิ้งขว้างก็ไม่ผิดสูตรวิธี ตนยังยอมคบหาดูใจด้วยยังยอมคบหาดูใจด้วยเพราะนึกว่า จึงค่อยตัดเมื่อมาคุยกันที่ห้องไม่รู้เรื่องจึงใช้อาวุธดังกล่าวซึ่งก็คงเป็นการตระเตรียมไว้ล่วงหน้าเผยบอกเล่ากับดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหาอาวุธมาไว้ในครอบ ตามธรรมชาตินั้นไม่มีสิ่งใดปกป้องมนุษย์ได้ ตราบจนยืนอยู่บนฐานแห่งความกังวลนอกจากศีลก็ควรต้องมีความฉลาด คำตอบคือรู้บทความโดยดังตรินอย่างจากความเป็น 47 เสียงอ่านโดยอ่านโจโฉ